ต่างทำต่อเพื่อเป็นส่วนประกอบการปฏิบัติธรรมเวลานี้เรามาปฏิบัติธรรมสิ่งที่เราทําให้เป็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ยินเป็นสิ่งที่เราได้ทํานี่เรียกว่าประกอบการเข้าทําอย่างไรสอนอย่างไรสอนให้ปฏิบัติตาม พ่อก่อตามครูบรโลงครูของเราคือพระพุทธเจ้าเราก็ทําตามที่พระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าทำอย่างไรจึงได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าจากกุตุชนสาวมนชนธรรมดาทํายัางไรการเป็นพุทธะคือธรรมะพาให้เป็นเห็นธรรม เห็นธรรมมาใช่กายเป็นพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทําอย่างไรทําอย่างไรจึงเห็นธรรมมีสติมีความรู้สึกมีความลึกได้มีสติเป็นกายเป็นประจอมรู้แขนเข้าเหยื่ยวแขนดอกมีสติ หายใจเข้าหายใจออกมีสติเวลาใดที่มันบกพุดคุณคิดมีสติให้เป็นสติให้เป็นความรู้สึกรเราได้เป็นผู้ดูแลกายใจให้สติเป็นใหญ่เท่าสติอินทรีย์ถ้าไม่มีสติมันก็คิดไปข้างหลังคิดไปข้างหน้า ดังที่เราสาทยายพะสูตร์ว่าบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรมีเหมือนกันหนึ่งวันสองวันสามปีสี่ปีสิบ ป, ปีห้าปีเอาเรื่องเก่าๆมาคิดคิดแล้วกลายเป็นสิ่งเศ้าหมองเป็นสิ่งที่ฟูๆแผลๆได้ย่อมใจละจากความคิด เป็นอารมณ์มาย่อมจิตใจอาจเป็นจิตใจที่มีอารมณ์เป็นเจริญไงก็มีต่อนาคตเที่ยงไม่มาถึงก็หยาบพะวงทำอะไรไม่ได้ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ให้มีความรู้สึกตัวเดี๋ยวนี้ทำดีเดี๋ยวนี้แล้วความชั่วได้เดี๋ยวนี้หากบันวิ่งไปทางอดีตก็กลับมารู้สึกตัว มีการคู่แข็นเข้าเหยียดแขนออกรู้จักตัวอยู่นี่สวรมันซะในลานี้ไม่ใช่มันนั่งคิดถึงอดีตเรามาปฏิบัติธรรมมาสร้างสติกลับมาได้บางทีมันไปอนาคตกลับมาได้พุ่งนี้มีอยู่แต่ไม่เห็นพวกนี้มีอยู่แต่ไม่มีใครเห็นเราเห็นเดี๋ยวนี้ เววินาทีนี้มือก็อยู่นี่กายก็อยู่นี่ใจอยู่นี่ดู้ฉันเข้ารู้สึกได้อยู่นี่เหยียดฉันออกรู้สึกได้อยู่นี่นี่คือปัจจุ ป, ปันนันจะโยธรรมมังตะตะต ะ, ะ, ะ, ะวิปัจจติให้พวกผลนตัวนี้ขึ้นมาให้มันมากแต่ก่อนนี้มันมอมแมมจะ ใ, ใช่ไหมมอมแมม ใช่ได้ไหมมันไม่ไม้มีความรู้สึกลดเลิกได้มันคิดได้แต่พื้เตอรพือ้อะไรก็มาคิดเอามาคิดหบางทีเวลานอนยังเอาเรื่องนั่นเรื่องนี่มาคิดจนเป็นจนนอนไม่หลับบางทีคิดเจ็บปวดกัดตอดตัวเองก็มีทาให้เจ็บปวด่อนีอย่างนั้นก็ยังคิดอยู่ยังไปขืนคิดอยู่ จนนอนไม่หลับเป็นความสุ ข, สขเป็นความทุกข์เป็นความคิดเนะี่ยในว่าไม่ใช่ชีวิตชีวิตไปห้อยไปเขียนปนไระเลยไม่ลู่มลุ่มลุกคุกคานลุ่มร้อยความดีแบบนี้เรามามีสติเนี่ยรู้สึกระลึกได้อยู่เนี่ยสอนมันเวลานี้เวลานอนไม่ใช่มาคิดนอนอยู่ก็ลู่มดอ ความคิดมันนอนอยู่มันก็คิดได้ความสุกความทุกข์ันนอนอยู่มันก็สุกทุกข์ได้เราก็รู้ได้ทุกกระดีบทไม่มีสิ่งไหนที่จะเฉลยได้ดีเท่ากับความรู้สึกความเลอกได้เนี่ยเราจะมาหัดตนสอนตนํตำนนด์รามวิชากรรมาฐานกับมากับมหาที่ตั้งที่ตั้งที่วัฐาน การกระทาในที่ตั้งนั่นเรียกว่ากรรมให้มันเป็นกรรมให้มันรู้กับที่ตั้งนี้ไหวสิบสี่จังหวะให้รู้ทุกทจังหวะจังหวะหนึ่งห่างกันไม่เกินวินาทีหรือชาขั้วก็ไม่มากให้มันต่อเนื่องอยู่เช่นนี้เวละใดที่มันหลงไป กลับมาลู้ถ้าไม่มีคนหลงเขาไม่เป็นไรถ้ามีหลงอยู่ต้องเปลี่ยนเป็นลู้ถ้าหลงไม่เปลี่ยนเป็นลู้ปฏิบัติแบบไหนก็ยังไม่ถูกทาพาให้เราถูกไม่ใช่วิธีการเวลามันหลงเปลี่ยนเป็นลู้สึกตัวเวลามันทุกเปลี่ยนเป็นคุมลู้สึกตัวซะเวลามันโกรธเปลี่ยนเป็นคุมลู้สึกตัวซะ อะไรที่มันเกิดขึ้นจากกายจากใจเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดเนี่ยเราให้สุดฝีมือเนี่ยมันจะหนีไปไหนได้แม้ก็มั่นใจทุกคนถ้าทำอย่างนี้ไม่ต้องมีคำถามใครเห็นเองพวกเองไม่มีคำถามไม่ต่คงคำตอบตอบได้ได้เปลี่ยนความหลงไปความไม่หลง 1นึงครั้ ง, งมันหลงอีกเปลี่ยนเป็นไม่ลงอีกสองครัง้งมันทุกข์อีกเปลี่ยนเป็นไม่ทุกข์อีกอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่ไม่ใช่ติเปลี่ยนมาเป็นสติเนี่ยนิวรธรรมนำชีวิตสติคือความรู้สึกความเลือกได้วิธีไหนก็ตามอย่าเอาเรื่องเป็นเรื่องผิดเรื่องถูกมันจะผิด ก็ถ้าผิดเป็นผิดถ้าทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธผิดทั้งนัดมีทไหนก็ไม่ถูกต้องถ้ามันทุกู้สึกตัวไม่ทุกซะงั้นโกรธรู้สึกตัวซะไม่โกรธซะมันหลงรู้สึกตัวไม่หลงซะเปลี่ยนได้อย่างนี้หรือว่าวิธีไหนก็ถูกต้องอยู่ที่การกระทํามันใช่อยู่ที่รูปแบบ รูปแบบของเราที่ทําอยู่นี่มาใช่มาเรียนลูกยกมือเข้าจงมือออกผลการฝึกหันได้วิ่งสติเฉยๆก็หัดเป็นเรื่องไม่ทําก็ได้จะทําก็ได้แต่เราต้องสอนก่อนทําให้ดูอยู่ให้เห็นพูดในฝังจากนี้เียว่าฝึกตนสอนตนอย่าไปเชื่อใครอย่าไปเชื่อคอา เ, อเล่าเลยอย่าไปเชื่อ คำเน้นทาอย่าไปเชื่อคําสรรเสริญมาดูซิมาดูจงมาดูว่าทำพระพุทธเจ้าตัดไว้ดีตัดไว้ดีแล้วกรรทำคืออะไรความหลงไม่จริงความไม่หลงจริงตัดไว้อย่างนี้ความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์จริงตัดไว้อย่างนี้ปฏิบัติตามธรรม มันหลงอย่าทำตามหลงมันหลงปฏิบัติตามตำคือไม่ห ล, ง น, ลงนี่เรียกว่าตัดใบเตียงเนี่ยร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันหมื่นทั้งหมืน่นไม่ถูกต้องเลยหลงอะโกรธไม่ถูกต้องทุกไม่ถูกต้องเราใช้ชีวิตอย่างไรชีวิตเรามาถึงปูนี้เนี่ยระหว่าความหลงกับความไม่หลงอะไรมากกว่ากันนะ ก็ตื่นเลาร่นตรงนี้มากไปที่บดได้ให้ผลได้ไม่จำกัดกาในเรามาหลงเปลี่ยนไม่หลงได้ทุกชีวิตอย่าปล่อยทิ้งทิ้งไปไม่ได้ถ้าหลงก็เสียไปเลยถ้าโกรธก็เสียไปเลยถ้าทุ ก, ก็เสียไปเลยทดลองไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่พิธีาศาสไม่ใช่เครื่องทดลองชีวิตของเราเนี่ย เป็นสิ่งที่เราลักษาดูแลให้มันคุ้มมีสติเป็นเจ้าของมีสัมเจ้าเป็นเจ้าของเป็นผู้ดูแลไม่มีอะไรที่ไม่ผ่านควมรู้สึกความเลือกได้ถ้าเรามีนะถ้าเราไม่มีความรู้สึกไม่มีความเลือกได้ก็เถื่อนกายก็เถื่อนใจก็เถื่อนสอมโซนโสภณีกายโสภณีจิตใจ คิดอะไรก็คิดได้บกมุ่นอุทุกุกจัอุทกคืออะไรคืนืนเข้าใจไหมอุทกกะอุทกคืออุทกกับภัยน้ําท่วมนล้วกีดดําราเฉียหายอุทกคือคืนืนไม่เรียบ ก, กุกจั กุกกุกคืออะกุกกุเจาะคืออะไรคิดเหมือนไกเ่เคี่ยวใว่า ไ, ไกเ่เคี่ยวไม่รู้อะไเรื่องอะไรวุ้นไปหมดเลยจนเอามือเกาหัวลูวหอ ว, หวไม่รู้ว่มันคิดอะไรอุทุกเจาะกุกกุเจาะนี่มันสมส่วนมันไม่ใช่เช่นนั้นจิตใจของเราถ้าเราไม่หัดก็เป็นอย่างนั้นเลยไม่ว่า อารมณ์มาครอบทาดึงไปดึงไปโน่นดึงไปนี่อารมณ์ไม่ใช่ใจเราไม่รู้กันหรือว่าเป็นใจซะบางทีทำตามอารมณ์เสี้ยเปียบอารมณ์เวลามันโกรธทำตามความโกรธความโกรธไม่ใช่ใจใจไม่ได้โกรธมันเป็นอุทุกข์จับกุกจัะมันเป็นคลื่นเหมือนทะเลคลื่นไม่ใช่น้ำน้ำไม่ใช่คลื่น มันต้องเรียบพิจใจเนี่ยมันประพัดสอนปกติเหมือนผ้าขาวสะอาดนั่งอยู่นี่ขาวเพียบนเนี่ยบริสุทธิ์แกมันจริงสีขาวมั น, มนเหมาะมันก็เพื่อนได้เป็นสีอื่นได้อย่าแปลอารมณ์มาเป็นใจนับใช้อารมณ์ตามตามอารมณ์เสียเพียบความโกรธเสียเรียบความทุกข์ บางทีมันร้ายก็เสือทํำลายคนอารมณ์เนี่ยทำลายตัวเองก็ได้ทำลายคนอื่นก็ได้ไมันใช่ชีวิตชีวิตไม่เป็นอะไรจึงมาดูแลเนี่ยมันเป็นเรื่องดีนะถ้าไม่มี่สติไม่มีสำจะปล่อยให้ความหลงคลองชีวิตเราควบคุมร้ายควดีผู้ผู้เผื่มีใจก็เพิ่งกิดใจไม่ได้ ไม่มั่นจใจบางทีคุ้มล่ายคุมดีก็าคืนเป็นกวนกลางวันเป็นเปลวไม่ถูกสอนไม่เคยอบรมสั่งสอนตัวเองบ่อยทิ้งกลายเป็นอันอื่นไปบางทีก็ไม่ดูแลมากก็เป็นจลิตนาคจลิตโทศะจลิตโมหะจลิตออกหน้าออกตา รวมหลงออกลับตายเห็นลูกหลงออกรับพอใจไม่พอใจงูที่ยินเสียงพอใจไม่พอใจออกรับแน่ว่ากลวมหลงออกรับเป็นโมหะฉลิศไม่มีสติปัญญาถ้ามีสติลูกแล้วมันคิ ด, คดเห็นมันคิดคิด มีสองลักษณะไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจคิดผันคิดขึ้นมาเองอันนั้นทัดเกณฑ์แม่ยนยำได้สอนที่ความคิดที่ไม่ตั้งใจไต่แก้ได้เปลี่ยนได้รู้จากความหลงเป็นความรู้คิดที่ตั้งใจก็ไม่จำเป็นเวลานี้ไม่ใช่มาตั้งใจคิดอะไร มาฝึกกรรมฐานอบรมพระธรรมนำชีวิตให้มันได้ชีวิตใหม่ๆต่อยอดใหม่ๆโอยยอดใหม่สักหน่อยมันปลายพันมามากแล้วยอดเดิมๆ ม, มันเป็นอื่นไปแล้วเลือกคัดถอดออกมาเหมือนเราเลือกข้าวปลูกข้าวพัน เอาทั้งหมด่าต้งองโทษต่อโทษต่อมันก็ได้พันหม่นขึ้นมายอดหม่จากหลงกลเป็นความไม่หลงเรียกว่ายอดใหม่ถ้ามีทุกข์ก็ไม่ทุกข์เป็นยอดใหม่ถ้ามีโกรธก็ไม่โกรธเป็นยอดใหม่ใหม่มันจึงจะเป็นปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคือเปลี่ยนลายเป็นดีถ้ามันไม่มี เราไม่มีทุกข์ไม่ทษกก็นั่นแหละจำลองบัคขนนี้ผ่านในชีวิตแล้วเราจะมาบางทีมันไม่เป็นไปเองมันใช่แต่เปตตะปะมาชีวิตของเราเนี่ยมันก็เปิดเพื่อนปนเพื่อนจากจิตเดิมแท้ก็เป็นอันใหม่ไปเลวเราจะมาทำมันทำมายาก ทำได้ทุกชีวิตปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดกาเชิญมาดูเชิญมาดู ม, าดมือวางไว้บนเขารู้สึกไห ม, ไมสัมผัสดูสิมืออยู่ไหนไรู้สึกตระลึกได้ไห ม, ไมใครเป็นคนรู้ ม, มีคำถามคนอื่นไห ม, ไมแล้ววางมือเระวางโยนเขานั้น แข้งมือขึ้นรูได้ไหม ย, ยกมือขึ้นรูไหมมันสัมผัสกับความรู้สึกให้มันรู้รู้สึกรู้สึกรู้สึกอยู่เนี่ยเพราะมันอะไรที่มันเกิดขึ้นมาระหว่างที่เราสร้งสติอยนี้มันจะเห็นเกิดการพบเห็นเอามันหลงเห็นหลงกลับมาหาที่ตั้งปฏิบัติคือ ก, กลับมาหาที่ตั้งอย่าไป เป็นจบเป็นมาก็อย่าไปหลงไปทางก็พิดถึงบ้านแล้วถึงที่หนุอยลรากลับมา ไ, ไวๆกลับมาไวเท่าไหร่ยิ่งดีเวลานี้รู้สึกตัวกลับมาจะอาศัยนิมิตอาศัยรูปแบบกรรมฐานนิมิตเป็นที่ดึงเอาไว้ไมาใช้หาคำตอบจากความคิดหัดไปใหม่ มันเราไปเรียนก็ไก่หัวไก่โอ้ดีมิดเป็นที่ตั้งกอกไก่ต้องเขียนอยู่ในกระดานก็เขียนตามลงไปเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆดูบ่อยๆเขียนบ่อยๆก็เขียนเป็นแล้วก็บันทึกได้เป็นสัญญาได้ไม่ต้องเรียนอีกแล้วก็กไมีอยู่ในชีวิตของเราอ่านได้เขียนได้ดูความหมาย เราู่สืบตัวรู้สึตัวนี่มันก็บันทึกมันซึมเข้าไปมันมีไม่เสียไปไหนถ้าเหมือนความคิดที่มันไหลเหมือนน้ำที่มันไหลเราโยนกระสอบซ้ายใส่กระสอบหนึ่งมันยังไม่เห็นกระสอบสายพ้นน้ำแต่กระสอบซ้ายไม่หนีไปไหนอยู่ในนั่นแหละอยู่ในรองน้ำนั่นแหละ โยนลงไปอีกโยนลงไปหลายสอบหลายสอบหลายสอบมันก็พ้นน้าขึ้นมากลายเป็นเขื่อนได้จากสติที่ละน้อยละน้อยเนี่ยจนเป็นมหาสติวินาทีละลูกสองวินาทีก็ได้สองลูกชั่วโมงหนึ่งสอ ม, มันหกน้อยวินาทีถ้าชั่วโมงหนึ่งก็ได้ลูกทุก วินก็ได้ถึงสามพนยลูกว่าหาลูกเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อมีความลูกเกิดขึ้นความหลงก็น้อยไปมันเป็นอย่างนี้อันหนึ่งมันมีขึ้นอันหนึ่งมันหมดไปเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หมดไปความมืดมีมากแสงสว่างก็ไม่มีนั่นก็เป็นธรรมเลาอยู่ที่นี้ เราจึงทำไม่ใช่หาคำตอบจากความคิดเป็นการกระทำมาลู่มาลู่มาลู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอีกร้อยอยเมื่อมีสติอยู่นี้ก็ละความชั่วเมื่อมีสติความรู้สึกอยู่นี้ก็ทำความดีเมื่อมีสติรู้สึกอยู่นี้จิตก็บริสุทธิ์เป็นไปเองละความชั่วเป็นศี่นขึ้นมาแล้วปกติแล้ว มีสติก็ทั้งความดีมีสติตั้งใจอยู่นี่สมาธิใส่ใจที่รู้อยู่ทุกข์ก็ดีนม่สิละสมาธิคือใส่ใจรู้อยู่หนึ่งรู้สองรู้สมรู้ลุดเดินจงกลมแต่ละข้าวรู้รู้อ๋อใส่ใจที่จรู้นี่นว่าสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตาไม่ใช่ไปนั่งหลับตาหลับตายังไม่มีสมาธินะหมกปุ้นคุณคิดปอยก็มีนะ สมาธิคือใส่ใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดเดินจาก ก, ก็มีสติอยู่กับการเดินการใส่ใจที่รู้เสมอนี่แรีย ว, ว่าสมาธิเมล่อใดไม่ใช่ของรู้มันหลงไปเปลี่ยนหลงเป็นรู้หรือว่าปัญญาปัญญาเป็นอย่างนี้มาใช่หาคาตอบจากความคิดเหตุผลปัญญาพุทธะนะเหตุผลเป็นอันหนึ่งเหตุผลยังไม่ใช่สัจธรรม อาจจะฆ่ากันตายเพราะเหตุเพราะผลนะแต่ฉันจะทำคือปัญญาเนี่ยมันหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงนี่แหละคือปัญญาเปลี่ยนลายเป็นดีเปลี่ยนผิดเป็นถูกนะปัญญาอย่างนี้เป็นปัญญาพุทธะพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นหล ง, ลงเห็นทุกข์จึงเป็นพระเจา้จาเห็นทุกข์จึงปอดภัยความทุกข์ก็ไม่เห็นมันก็ไม่ พ้นไปเมือนเราเห็นงูต้องพ้นจากงูเห็นอะไรก็พ้นจากจุนวิญญาตาภายในคือสติสัมปชัญญะเน่มันโลกมม่ใช่ใบเหมือนกับตาเนื้ออย่าไปเชื่อใครเชื่อเกินกธรรมทำอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ขึ้นมานั่นแหละศรัทธาเกิดขึ้นแล้วโอ้ไม่เคยดูแลตัวเองเลยสามสิบปีนู่ ไม่เคยดูแลชีวิตของตัวเองร้ยก็ปล่อยทิ้งจิตใจก็ปล่อยทิ้งเพราะไม่เห็นเนี่ยก็ตลือนลุ้นในช่วยตัวเองจงสารตัวเองเกือบมันตายไปเนาะเนี่ยม่ได้ช่วยมัน เ, เลยเรื่สุบุรีเรื่หลงเลเื่องปวดเลื่องเครืองคนที่เคยโกรธก็หายไปถ้ามีสติคนที่เคยลหลงอยไรอะไรก็หายไป กาเป็นมิตรภาพในชีวิตไปเลยได้ชีวิตที่หวาขึ้นมาชีวิตแต่ไม่เป็นอะไรก่อนไม่ได้ชีวิตเลยเป็นสังกัดตายมีแต่รูปจนามรูปนามก็ใช่ผิดผิดแต่ละมันเลยมีความพอใจไม่พอใจเกิดความรักความเกลียดชงังคนคนเดียวสมมติปัญยัิว่าชจ้ จริงอันเดียวสมมติวันหยาดว่าชอบจริงอันเดียวสมมติวันญัติว่าไม่ชอบเอาสมมติบัญหยาดพาให้เป็นหยาดไม่ใช่ปรมาจัจรไม่มีปรมาจารย์รวมหลงเป็นสมมติวัญญัติรวมไม่หลงเป็นปรมัตาจัจรรวบโกรธเป็นสมมุติบัญญัติาดรวบไม่โกรธเป็นปรมาจัก ไม่เคยเห็นเลยแบบนี้ก็ตือหรือล้นเห็นคู่มาพ่อมกันความหลงมาพ่อมกันกับความไม่หลงความทุกมาพ่อมกันกับความไม่ทุกความโกรธมาพ่อมกันกับความไม่โกรธความแก่มาพ่อมกันกับความไม่แก่ความเจ็บมาพ่อมกันกับความไม่เจ็บอะไรอีกต่อไปล่ะเท่าเองความตายมาพ่อมกันกับความไม่ตาย เดี๋ยวนีนเป็นเช่นไรเป็นสมมติทิศเริ่มต้นนักงแตเห็นรู้สึกระลึกได้เห็นเห็นทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์พ้นจากทุกข์นานไปแล้วเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธพ้นจากความโกรธเห็นความเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บพ้นจากความเจ็บเห็นนี่มันปลอดภยัยถ้าเป็นนี่ไม่ปลอดภยัย มันหลงเป็นผู้หลงด้วยเห็นมันหลงเริ่มไปแล้วกันเข้าเลรกเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงง่ายๆถ้าเป็นผู้หลงยากนะทุกขะปฏิปทาแล้วถ้าหลงเป็นผู้หลงไปทุกขับปฏิปทาไม่บรลุธรรมนะถ้าหลงหรอเหมือนน่าจะหลงถึงเงี้ยนี่ไม่อยากให้มันหลงก็หลงไปกันใหญ่แล้ว เติไม่ได้เป็นอย่างนั้นเติเห็นหลงจ่ยิ้มยิ้มอืมนี่คือหลงเห็นมันหลงเลยไม่เป็นผู้หลงโ้นเจ้ากลมหลงไม่มีคำว่าผิดไม่มีคำว่าถูกมีแต่เห็นจิตนะมีแต่เห็นมันถูกก็เห็นมันถูกมันผิดก็เห็นมันผิดมันสงบก็เห็นมันสงบมันไม่สงบก็เห็นมันไม่สงบ นี่แหละคือองค์มรรคพระที่เห็นพระ ท, ที่ดูเนี่ยมันก็เหนือกินเป็นทุกอย่างไปแล้วจะอยู่เหนือโลกไปแล้วอีกไม่นานนะเหนือโลกไปแน่นอนเลยสุขเห็นมันสุขไม่เป็นผู้สุขนอนทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันไม่มีรสชาติในความทุกข์ความสุขจะว่ายังไงจะว่าเหนือโลกหรือว่าเ น, นแต่จดเรียกนะ ก็เลยขอเรียกว่าเหนือโลกสุขก็สุขเป็นสุขอยู่อยู่กับโลกทุกข์เป็นทุกข์อยู่กับโลกผิดเป็นผิดอยู่กับโลกสติจะพาให้เราอยู่เหนือสูงขึ้นไปมีสติเป็นสิ่งที่พาให้สูงขึ้นไปไม่มีค่าไม่มีรสชาติหลงเห็นมันหลงรู้เห็นมันรู้สงบเห็นมันสงบไม่สงบเห็นมันไม่สงบ มันรู้เห็นมันรู้ไม่รู้เห็นมันไม่รู้มีสติอยู่เนี่ยมันจะเป็นตัวเห็นอะไรง่ายๆได้มีสตินะถ้าเป็นอย่างนี้นะจิ่งที่ยากก็ง่ายขึ้นมาเหมือนริ้งคุกองเขาถ้าเป็นลเหมือนติ้งคุกขึ้นเขาปฏิบัติธรรมนะมันมีความยากความง่ายนะเห็นอย่ง่ายๆนะถ้าเป็นเนี่ยยากนะ ถ้าเป็นผิดไม่อยากให้ผิดมันก็ผิดให้ผิดเป็นความไม่ถูกต้องเป็นอัตถจีมถฐานุโยเข่งขิมเกินไปค่ำเคียดนะบางทีมันง่วงบางทีมันง่วงเปลี่ยนขว ง, ง่วงเป็นความัง่วงเป็นเรื่องยากไม่อยากให้มันง่วงขวง่วงเอาขวม ง, ง่วงเป็นปัญหาไม่เอาขวม ง, ง่วงเป็นปัญญา มันก็เลยเป็นอัตถะเข้มถายโยกปฏิบัติตํำบากรู้ได้ยากไม่ใช่ไปทรมานอะไรกัเอาผิดเป็นผิดเอาถูกเป็นถูกละ่ะอัตถะเข้มถายโยกน่าหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์โกรธเป็นโกรธเป็นการมัชรคฐานนี่กรโอนแอร์เกินไปไม่รู้จักดูเลยรักษาตัวมัดเขมหมปฏิบทาคือเห็น เห็นตรงนี้เป็นกา้าเป็นกา้าเห็นไม่เป็นน่ะตั้งแต่ต้นไปเลยไปง่ายง่ายมากเหมือนน้ำไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ำลุ่มลึกเหมือนฝั่งทะเลลุ่มลึกลงไปเรื่อยๆไปเอียงไปไหลไปเห็นไม่เป็นคนจากภาวะที่เป็นเอียงไปสู่มอกสู่ผล เป็นกระเสแห่งพระเนาพานการมีสติจริงๆเป็นกระเสแห่งพระเนาพานได้กระแสนะได้กระเสอนะอย่างไรเรามันหลงน้อยเห็นไม่หลงงา น, นและกระเสอลิบ ป, ปีน้อยๆแม้จะเป็นแสงแห่งห้อยแสงอะไรก็ตามเฮปปีแล้ว น, น, นั่นกระเสอในราวมันหลงเห็นไม่หลง เวาห ม, มดทุกข์เห็นไม่ทุกข์เวลามันโกรธเห็นไม่โกรธมีหวังมีหวังเปลี่ยนดูเปลี่ยนดูนดที่แรกทวนชั่งหน่อยทวนชั่งหน่อยบางทีมันมีอารมณ์มามาเกิดกับการเวลาปฏิบัตินะกามมรมลาคะปฏิคา้าพยายาทบดบางทีมันฉายมาพิมพ์เก่าๆมันฉายออกมามาคเคยฉาย มันเคยท่องเที่ยวในชีวิตของเรามันมาใช้ชีิตของเรามากแล้วมันเลยมันเลยมาโชว์ใหบาทก็มีเกิดขึ้นมาว่าจะมาปฏิบัติเป็นเรื่องที่เดือดร้อนขึ้นมาก็ไมคิดถึงคนนักทาให้เราเราอย่างนี้คนนี้ทาอย่างนี้บางทีมาพูดออกมาบางทีก็คิดเป็นเรื่องเป็นปัญหาข้างคาจิตใจ กำลังปฏิบัติอยู่แล้วไปถามเป็นไงหนูหนูมีลูกสองคนนะ่ะหนูจะเลี้ยงลูกได้ไหมเนะี่ะจะมาปฏิบัติอยู่ <c oughs> ไม่ใช่มหคิดถึงเลี้ยงลูกให้มาเจริญสตินะถ้าสามีเกิดอุัติเหตุถ้าเสียชีวิตไปมีลูกสองคนเนทุกข์มันจะเลี้ยงลูกไว้ไหมไว้ไหมเนี่ยพอสามีจากไปก็ ชิดนมะาชิดเลี่ยงเลื่องลูกเวลามาปฏิบัติงบเอาอลูกสองคนมาด้วยมันข้างขาจิตใจอารมณ์ค้างเดี๋ยวนี้ไม่ใช่หมายชิดเลี่ยงเรื่องลูกปฏิบัติาปฏิบัติาบางทีก็มีพยาบาทเกิดขึ้นบางผู้บางคนเราก็เคยมีไม่มีใครที่ไม่เคยทำให้เราได้เจ็บปวดเป็นทุกข์ ทุกคนมีมาเหมือนกันมีคนอื่นทำใหเจ็บปวดเป็นทุกข์ก็มีมีคนอื่นทำไมเป็นสุขก็มีเหมือนกันเกือบจะทุกคนก็ว่าได้บางทีก็พูดถึงสามีมีปัญหาติดเล่านำตาซึมทำไงสามีจึงจะมาปฏิบัต ติเหล้าก็พอชู้ได้แต่ต่อมาก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งแล้วก็ลําบากใจเป็นทุกข์นี่ก็มีเหมือนกันคนอื่นทำไมเป็นทุกข์ก็มีนะให้เอาค่อยคนอื่นเขาเอ า, เอาสอนมาเสียบจิตใจของตอนเป็นทุกข์คนอื่นทําไมเรื่องเขาทําไม่ดีเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากเราทําที่อยู่แล้ว เป็นเรื่องของคนเราคนกันแม้คนอื่นเขาทําที่ทําเช่นนั้นมันก็เป็นตานิจจังมันท่ามไม่ได้จะเราต้องรู้ถ้าคนไปเพจนี้หรบางคนอะไรจังพึ่งไม่ได้เอาคิดไปห่อไปเฉียนคนอย่างนั้นอะไรก็หวาดใจมามีสติจ้าไม่ต้องไปหายําตอบจากความคิดเหตุผลไปแก้ทําอย่างไรทําอย่างไง มาเข้ากับมาารฝึกหัดายให้้ลชกตัวไปอย่างนี้นะหนูนะอย่าไปคิดแล้วนั่นเราทำนียไป้ลึกตัวไปก่อนรู้จักไปก่อนบางทีไม่ได้แก้ไม่ได้แก่เองมันหมดไปเองเคยทุกข์เรื่องคนอื่นเคยมีปัญหาเรื่อคนอื่นมาจะแก้ไปเองเห็นความเพีความจริงเป็นเช่นนั้น ห้ามไม่ได้เขาจะด่าเขาจะว่าเราห้ามไม่ได้แต่เราห้ามเราได้เป็นคนละอันกันคนอื่นพรายเราล้มเหลวเราไม่ล้มเหลวการงานทําให้เราล้มเหลวเราไม่ล่มเหลวเคยพูดจอยนี้สมัยหนึ่งดูแลรักษาป่าม้อย่างเก่งจังดูแลรักษาป่าอย่างเก่งจังพัฒนาชุมชนอย่างเก่งจัง จ่ไหม้ม่นแต่ไม้แผ่นดินทองแผ่นดินธรรมไม่ให้มีเหล้ามีบุหรี่ดมเหลวหมดตั้งซากกหงู่บา้านกองทุนบา้านธนั ก, การข้าวดมเหลวหมดงานการ่มเหลวรักษาป่าป่าก็หมดรักษาฉัตว์สัตก็หมดสอนไม่คนกินเหล้าคนจ้างกินเหล้าสอน ให้คนร่วมกันสมัครใสร้างชุมทนอ็ร่มเหลวมีปัญหาเรื่องกรรมการเอาคิปไปห้อยไปเขียนฝากไว้คนอื่นงานร่มเหลวแต่สิ่งที่ไม่ร่มเหลวคือชีวิตเราไม่ใช่ความผิดของเราบามันหมดไม่ใช่ความผิดของเราศรัทธาเราจึงหมดไม่ใช่ความผิดของเราคนติดเหล้าติดบุหรี่ไม่ใช่ความผิดของเร า, เราบอกแล้ว เราทําแล้วทําสุดฝีมือแล้วแล้วก็หวานใจไม่มีอะไรขาดตัวข้องเวลามันเกิดโรคล่อนขึ้นมาไม่ใช่ความผิดของเราอะไรเช่มันเดือดร้อนขึ้นมาไม่ใช่ความผิดของเราแต่ไม่ร้องไห้เป็นดินเป็นน้ำมูาพลาดอากาศเป็นผิษ แม่น้ำล้มป่วยไม่ใช่ความผิดของเราเราสุดความสามารถแล้วก็เลยว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราไม่ประมาทเราอยู่ด้วยกันนี่บอกแล้วนะไม่เชียน้อยกมหลงไม่จริงนะก็มไม่หลงถึิงกว่านะกมโกรธไม่จริงนะก็มไม่โกรธจริงนะอย่าทําตามความไม่จริงเนดะ้อ ความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงได้ยินไหมเอาไปปฏิบัติถ้าทุกเป็นทุก์หร <S S 2> ือว่าไม่ใช่ความผิดของเรานะไม่ใช่ความผิดของที่นี่นะที่นี่สอนอย่างนี้นะถ้าไม่เปลี่ยนอย่างนี้ไม่ใช่มาอยู่ที่นี่นะยังสุบูดีอยู่ก็ไม่ใช่มาอยู่ที่นี่นะยังหลงอยู่ก็ไม่ใช่มามอเอาที่นี่นะที่นี่เขาไม่หลงนะ ทีนี้เขาม่ทุกนะที่เขาไม่โกรธนะว่าอย่างนี้ได้ไหมเอ้าควบหลงครั้งสุดท้ายนะควบโกรธปครั้งสุดท้ายนะควมทุกเป็นครั้งสุดท้ายได้ไม่ใช่จะหลงจนตายโกรธจนตายทุกจนตายถ้ายังโกรธยังหลงยังทุกอยู่ลาสมัยแล้วเราเป็นผู้นำเลยทํานําชีวิตจะเลี้ยงทำปฏิบัติธรม เป็นการพัฒ น, นาสังคมพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้นำชมชนรับผิดชอบประเทศชาติผัวด่าให้เริ่มต้นนับหนึ่งจากเรานี่แหละหนึ่งแล้วเราเนี่ยนับหนึ่งก่อนด้านับหนึ่งจากเราเนี่ยก็มีสองมีสามไปหนึ่งตรงไหนมีสติเรานั่งอยู่นี่เท<ม>่าไหร่เกือบจะสองรอบกว่าชีวิตใช่ไหม มองไปทั้งนู่นที่ไม่ชีเรามีสติเป็นคนคนเดียวกันทันทีลองดูสิทําใหเรานั่งอยู่นี่เป็นคนคนเดียวกันมีสติกําลังรู้จักตัวอยู่นี่ทุกคนมีสติยกมือขึ้นยกมือไปเอมือมามีสติเนี่ยทาใหเราเป็นคนคนเดียวกันทันทีเลยอัศจร์นะเป็นเรื่องอัศจรย์ ให้ปฏิบัติให้ให้ผลได้ตามความสมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้คนนเหนตามทุกควรเจือผู้ปฏิบัติเป็นปัจจัตังของคนท่านเองทำได้อย่างนี้ทาได้อย่างนี้ดีขึ้นกว่าเกา่าการดีขึ้นเก่าเรียกวิปัจนาล่วงพ้นราวะเก่าเก่าล่วงพ้นราวะเก่าเก่าจริงๆเคยหลงไม่หลง เป็นสิ่งที่ตอบได้ในชีวิตจริงๆเฮยทุกไม่ทุกเฮ้ยโกรธไม่โกรธมีสติชั่งชยะรู้เฉลิมเลื่อนอยู่กับโลกแม้โลกเขาจะนินทาฉันเถื่อนเราก็ไม่หวั่นไหวเรารู้แล้วเรารู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วไม่ไม่เป็นเป็กับสิ่งที่โลกเราไวในตูวในในโลกไม่มีที่ให้ตั้ง ไม่มีที่ให้วางไม่ให้ค่ากับรถของโลกเพราะเราไม่เป็นอะไรไม่มีิ่งไหนที่มันยัดให้เราเป็นอะไรได้เราไม่เป็นอะไรอยู่แล้วอย่างนี้นะดังนั้นพิสูจน์กันดูอย่าไปเชื่อใครตัอจิบาตูเป็นเช่นดใดเอารู้สึกตัวเป็นเช่นใดต่างกะกความหลงไหม เวลามันหลงเปลี่ยนเป็นความรู้ทําไยทำบ้างไหมอาจไม่เคยก็ลองทดลองดูจะได้คำตอบจะเห็นช่องทางจะล่วงพ้นภาวะเก่าหีืว่าวิปั จ, จนาเกิดขึ้นมาในชีวิตของเรานี่เมื่อได้วิปั จ, จนาเกิดขึ้นก็เห็นกนระแสพระใน่านไม่จนไม่จนอาจะ โจนตายหนึ่งห้าวินาทีอาจจะทำได้เห็นกระแสบ้างแล้วไม่มืดเปิด้านเคยทำอย่างนี้เคยทำอย่างนี้ตกกันใดคอยประโจนกั้เอาได้ถ้าเราไม่เคยพูดขัดมืดนะเห็นไม่เป็นเราเชื่อมัเกิดขึ้นกับกาเรามีแน่นอนเกิดเจอเจ็บตาย ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนแล้วก่อนเราเป็นทุกข์ความไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์ให้เราเป็นทุกข์ควมเป็นทุกข์ให้เราไม่เป็นทุกข์ควไม่เที่ยงเคยเป็นทุกข์เราควไม่เที่ยงกลายเราไม่เป็นทุกข์นั้นเปลี่ยนอย่างนี้นั้นเปลี่ยนอย่างนี้ไม่ใช่ยอมรับ ไม่ใช่ยอมเราไมมีทางออกเหมือนพระเจ้าได้แสดงไหวในพระสูตรเห็นความไม่เที่ยงเป็นพระนิพพานได้เป็นเช่นนั้นเองเห็นความเป็นทุกข์เป็นพระนิพพานเห็นความไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นพระนิพพานเปลี่ยนล้ยเป็นดีอย่างนี้เอาสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นผู้พุทธเจ้า เห็นทุกข์เป็นการเห็นว่าเสดถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่พ้นทุกข์ทุกข์แท้ๆ ท, ทาไมเกิดเป็นพุทธเจ้าอย่างนี้นะแต่พุทธชนเอาทุกข์มาเป็นทุกข์พเจทุกข์พระพุทธเจ้าเอาทุกข์มาเป็นปัญญาปัญหาเป็นปัญญาอย่างนี้